สิ้นชีวามันก็เหมือนกันและบางคนบ่นว่าช่างสวยมีเมียไม่สวยบนกันเยอะแยะมีเราหน้าเหมือนกับอู๋ก็อย่าไปพูดเมีเรานั่นแหละจะขาวดำนั้นไม่ซ้ำ ก็มืงอนกันเลสวศร้าเศ้าเกิดมาไม่สวยไม่มีใครช่วยบนกันเยอะ คน่า ผลกันเยอะแะะอไรอะไ ร, ะไรมันก็เหมือนกันผู้ใหญ่กำนันมันก็เหมือนกันแหละแม่ไม่หรือว่าลูกเตา่าแม่ไม่หรือว่าลูกเตา่าเราแม่ทุกเราเข้าเหมือนกันแหละ